เป็นคำถามสำคัญค่ะเราอาจจะรู้กันอยู่ว่ามีศาสนาหลากหลายในโลกศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาที่คนนับถือกันมากแล้วก็ศาสนาใดก็แล้วแต่มีวัตถุประสงค์คล้ายๆกันก็คือมุ่งเน้นให้คนทำความดีทีนี้หลายคนก็เลยมาถามนะคะบอกว่าแล้วศาสนาพุทธเนี่ยต่างกับศาสนาอื่นอย่างไร นามส ก, การกราบเรียนท่านเลยค่ะเพราะว่า <c oughs> สติปัญญาของ่านก็น้อยค่ะหลักหลักของศาสนาพุทธที่ไม่เหมือนกับาศาสนาใดๆหรือลัทธิความเชื่อใดๆในโลกก็คือหลัก ข, ของของอนัตตา <c oughs> คือหลักความไม่ใช่ตัวตนจริงกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาคือความจริงของโลกคืออริยสัจสี่นี่แหละคือสิ่งที่ ไม่มีศาสนาใดเนี่ยมีคำสอนตรงนี้เหมือนเราและจุดนี้แหละเป็นจุดที่ที่ผู้เจ้าค้นพบและค้นเจอว่าธรรมชาติทั้งหมดในโลกเนี่ยมันเสมอเหมือนกันที่กฎ น, นี้เองนะไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมานามธรรมาก็ตามนะทุกอย่างมีการเกิดขึ้นนะและมีการดับค่ะ การเกิดของมันท่านจะเรียกว่าสมุ ท, ทยัยคื อ, อมีเหตุเกิดและมีนิโรธคือความดับ <Okay. S 1> อันนี้ก็คือสิ่งที่พุทเจ้าตรัสรู้นั่นเองสุขในใจเราเกิดขึ้นมาแล้วดับไหมดับไม่มีใครสุขทั้งวันทุกเกิดขึ้นมาดับไหมดับไม่มีใครทุกข์ทั้งวั น, นทุกเกิดมาแล้วก็ดับไปสุขเกิดมาแล้วก็ดับไปความคิดความจำํำร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็ดับไปทั้งหมดเหมือนกัน นี่คือหลักความจริงของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมและไม่มีในศาสนาไหนนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้เป็นเป็นจุดเป็นประเด็นที่พระุทธเจ้าบอกว่ามันจะพ้นจากการเกิดแก่เจ็ตตายทั้งปวงเพราะตราบใดยังมีความายึดมั่นถึงมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่พระพุทธเจ้าบอกสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญ ญ, ญาณได้ทั้งหมด วิญญาณหรือจิตของเราเนี่ยจะเข้าไปตั้งอาศัยในสิ่งสิ่งนั้นนะส่วนใหญ่ก็จะสอนในเรื่องของคุณงามความดีให้ยึดคุณงามความดีดีไหมก็ดีอยู่แต่หมดดีแล้วเป็นอย่างไรก็มาเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปอีกนะหาที่จบสิ้นไม่ได้เทวดาพรมก็ตายหมดมีอายุขัยหมดมนุษย์ก็ตายนะนรกกำเนดิดเดชานเป็นวิสัยลุ่นมีอายุขัยหมดมีความตายเป็นเบื้องหน้าทั้งหมดนะอีสานนางไม้เทวดาตายหมดเหมือนกัน ทำอย่างไรจะไม่ตายนะ<ม>ก็ถ้ามารู้ความจริงตรงนี้นะจะทำให้เราเนี่ยพ้นจากความแก่เจ็บตายได้ผูนะพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อรูปตายเนี่ยเราจะไม่ตายไปตามรูปนะเมื่ อ, อความรู้สึกดับไปเมื่อความคิดความจำจนกระทั่งหรือวิญญาณดับไปเราจะไม่ดับไปตามวิญญาณไม่ดับไปตามธรรมชาตินั้นนะี่อันนี้คือเป้าหมายอของศาสนาพุทธเราคือมรรคผลนิพพานนั่นเอง ก็จึงทําให้ศาสนาพุทธแตกต่างไปจากศาสนาอื่นเพราะศาสนาพุทธได้ค้นพบเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาและได้พบว่ามีการเกิดก็มีการดับนะคะแล้วก็สอนให้คนเราหลุดพ้นจากการเกิดเพื่อจะได้ไม่ต้องมีการดับใช่ใชถ้าโดยสรุปพูดอย่างนี้ได้ไหมคะใช่ใเพราะว่าการเกิดเป็นเหตุของความแก่และความตาย ธรรมชาติที่มีตายเพราะว่าธรรมชาตินั้นมีการเกิด <Okay. S 1> อาตมาเคยสงสัยสมัยเด็กๆว่าทำไมจะต้องต้องไม่เกิด uh huh. มันมันเกี่ยวข้องกันยังไง <Okay. S 1> แต่เพราะเราไม่เคยไขยควนว่าอ๋อเกิดเนี่ยมันเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งแก่และตาย <Okay. S 1> นะ เ, าเหมือนว่าโยมจะทำยังไงไม่ให้แก้วน้ำใบนี้แตก uh huh. นะมันก็ทำไม่ได้ ยังไงแก้วน้ำใบนี้ก็แตกแน่นอนสักวันต้องแตกตามหลักอันนี้จังทุกขั้อนะร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีต้องแตกแน่นอนใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีแก้วใบนี้ก็จะไม่มีแก้วใบนี้แตกวิธีไม่ให้แก้วแตกก็คือยามีแก้วคือจะว่าไปนะคะอแต่แต่ขอย้ําให้ท่านย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าหลักเหล่านี้ี่ศาสนาอื่นไม่มีจริงๆเลยเหรอคะไม่มีเป็นความพิเศษสุดเป็นความพิเศษสุด ถ้าใครมีหลักตรงนี้ซึ่งจะมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ผู้เจ้ามองแล้วว่าไม่มีแต่ถ้ามีผู้เจ้าก็ยืนยันว่าเขาพ้นทุกได้แน่นอนใน <ะ S 2> อย่างสุภัททะปริพาชกเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเออศาสนาอื่นมันมีนิพพานมีพ้นทุกมีพระอรหันต์บ้างไหม น, <ะ S 2> นั่นเลยสิคะก็ไปถามผู้เจ้านีช่วงนั้นเนี่ยผู้เจ้าจะปรินิพพานแล้วน ะ, ะสุภัททะเข้าไปถามจริงๆไปถามปัญหาอื่นก่อนเยอะแย ะ, ยะ แต่ผู้เจ้าบอกว่าสุภัต t อย่าถามปัญหาที่ไม่สําคัญเอาปัญหาที่สําคัญสําคัญตอนเรากําลังจะแย่แล้วกําลังจะเป็นนิพพานแล้วนะสุภัต tha ก็เลยสรุปปัญหาของตัวเองใหม่แล้วก็เลยถามประเด็นตรงนี้ผู้เจ้าก็เลยบอกว่าเครื่องวัดสอบก็คือมักมีองแปดศาสนาใดหรือลัทธิใดพรหมจรรย์ใดทําวินัยใดมีมักมีองแปดทำทำวินัยนั้นหรือพรหมจรรย์นั้นก็มีความพลนุกมีพระลาน เาตัวนี้เป็นตัววันค่ะเราได้ยินคําว่ามักมีองแปดบ่อยมากเลยในะะในรายการนี้นั่นเป็นเพราะว่าจัดได้ว่าเป็นส่วนที่สําคัญยิ่งของศาสนาพุทธเพราะเป็ น, ปนวิถีทางที่จะทําให้เราพ้นทุกข์ <ผล S 2> ได้ไดะนะคะมีอยู่8ประการหลักๆมักมี <c oughs> องค์8รายละเอียดมีเยอะเราก็พูดแทรกไปแทรกมาในรายการนี้อยู่บ่อยๆ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยก็จะไม่ขยายความละเอียดแต่อยากจะย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าความพิเศษของศาสนาพุทธ ที่ทำให้แตกต่างจากศาสนาอื่นก็คือในส่วนของหลักไตรลักษณ์ความจริงอของโลกนะคะว่าทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงมีความทุกข์อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาใช่มคะ ท, ทุกในที่นี้คือความดับไปสิ่งที่เกิดเนี่ยมันจะมีการแปลเปลี่ยนและเดินไปสู่ความดับคือแตกสลายจุดที่แตกสลายนะเรียกว่าทุกหรือทุกขงัง ค, ความทุกข์ก็เป็นทุกนะ ความสุขก็เป็นทุกข์คือสุขเดินไปสู่ความดับและความทุกข์ก็เป็นทุกข์คือทุกข์ก็เดินไปสู่ความดับเหมือนกันอันนี้เป็นเป็นมุมที่บางทีบางคนเข้าใจคาดเคลื่อนหรือว่าเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจอย่างนี้งั้นสรุปถ้าอย่างนี้ต่อไปเราต้องไปคงไปคุยกันในรายละเอียดอีกเพราะว่าเท่าที่ฟังดูดิฉันจับประเด็นได้คือว่าดังนั้นสุขทุกข์จึงเหมือนกันเพราะเดินไปสู่ความดับเหมือนกันถูกไหมคะค่ะ เดี๋ยวคนฟังจะรู้สึกให้มันชักญาติเขา้ <c oughs> เา <c oughs> ค่อยๆไปนะค ะ, ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่ท่านค้นพบคือท่านพบว่าเมื่อมีเกิด <c oughs> มีการเกิดและมีการดับนะคะแล้วก็ถ้าเราหยุดการเกิดได้เราจะไม่มีการดับไม่มีการตายค่ะดังนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรงค้นพบ คือจะทำให้เราพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายช่คือนิพพานใช่นะคะเรนเข้าใจว่าบางคนก็อาจจะบอกเว้ยพอๆมันเรื่องพวกนี้มันต้องอาศัยความรู้เยอะเหมือนกันนะคะคือเหมือนกับว่าถ้ามนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยต้องการผิวเผินแค่ทำยังไงถึงจะสุขใช่ใช่ใช่ไหมคะบางคนเขาบอกแค่เนี้ยเขาพอแล้วพอไหมคะแค่เ้ยก็พออยู่ใปัจจุบันของเขาอะ แต่ถามว่าที่สุดเขาแก่ไหมที่สุดเขาตายไหมขณะที่เขาแก่เขาเจ็บทำอย่างไรมีอะไรประกันว่าเขาจะไม่พิการมีอะไรประกันว่าเขาจะไม่ป่วยถ้าเขาพิการมาแขนขาขาดเขาจะรู้สึกยังไงและมีอะไรรับรองได้ว่าเขาจะไม่เป็นไม่มีเลยทีนี้ถ้ามีตัวอย่างชีวิตของคนบางคนเนี่ยถ้าเราดูแบบไม่ได้รู้จักเขามากนะคะก็รู้สึกว่าแหมชีวิตเขาเนี่ยน่าอิจฉาเหลือเกินเกิดมาก็ในครอบครัวรวยใช่ไหมคะ แล้วก็ยังรวยไม่เลิกแถมยังไปแต่งงานกับคนรวยก็ดูเหมือนกับว่าชีวิตสบายไปหมดเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีอยู่ในสังคมที่มีความสุขนะคะคนพวกนี้เนี่ยเขาอาจจะอยากเกิดใหม่ก็ได้นะคะท่านก็ก็เป็นได้ไงเพราะนั้นคนที่ยังพอใจในการเกิดพระเจ้าก็บอกวิธีเอาไว้อ๋อทำกุศลนะอ่ะอย่าสร้างอกุศลเพราะถ้าพอใจในการเกิด คนนั้นก็คงจะพอใจในการเกิดที่เป็นสุกติภพเกิดสบายนะมีชีวิตสบายมีภัสสะที่งดงามน่าสัมผัสใช่ไหมคงไม่มีใครพอใจไปเกิดในทุกติค่ะเพราะคิดว่าจะเกิดมาแล้วเหมือนเดิมอีกจึงอยากเกิดอีกแต่ไม่มีอะไรประกันเลยค่ะท่านครับมันก็เท่ากับว่าเรากําลังจะบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยเชื่อเรื่องว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงใช่แต่ทีนี้ถ้าจะอธิบายเป็นเหตุผลอ ให้เราเชื่ อ, อว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดจริงจะอธิบายอย่างไรคะก็ <c oughs> จริงๆผู้เจ้าเนี่ยพูดไว้ในสองลักษณะลักษณะแรกคือคนต้องมียานอย่างรู้ใช่ไห<ช>ม<า>มีจุตุป ป, ปาตายานภูเกนิวาสานุสติยานอันนี้อย่างรู้อดีตอนาคต ร, รู้การเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์ว่าทํากรรมอะไรมาอะไรอย่างนี้แต่ถ้าไม่มียานอย่างรู้จะทํำยังไงผู้เจ้าก็อธิบายหลักเหตุหลักผลที่เรียกว่าปฏิจจสุบาทลําดับขั้นการเกิดของธรรมชาติทั้งหลาย คนบอกว่าเอ๊ะตายแล้วไม่เกิดถามว่าเขามีเหตุผลสนับสนุนไหมในความเห็นของเขาไม่มี <c oughs> ก็พูดเอาคิดเอาลอยๆเฉยๆ <c oughs> แต่ผู้เจ้าเนี่ยคิดไข้คลวนอย่างดีอย่างละเอียดรอบข้อและอธิบายลำดับขั้นของการเกิดขึ้นของธรรมชาติทั้งหลายในโลกและลำดับขั้นของการดับไปของธรรมชาติทั้งหลายในโลกว่าถ้ามันจะดับอย่างท้าว่ามันจะดับอย่างไงแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีลำดับขั้นการเกิดยังไงที่เรียกมีวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยมีวิญญาณ นามรูปนะสลายยตนะผัสสะเวทนาตนาันหาเวทานพบชาชลามลณะเนี่ยอันนี้เป็นลำดับขั้นของการเกิดของธรรมชาติในโลกเลยในโลกธาตุทั้งหมดเลยทุกอย่างเลยะนะไม่ว่ารูปว่านามเนี่ยอธิบายความสัมพันธ์กัน ร, ระหว่างรูปนามไว้ด้วย ละเอียดเราออเลยซึ่งเรื่องอพวกเนี้ยค่ะเราสามารถคุยกันให้กระ จ, จ่างภายในเวลาสิห้านาทีนะคะจะได้รบกวนไปนมัสการเรียนถามในวันถัดไปอหรือ<ก>ยากเกินไปต้องฟังเป็นตอนตอนก็ ก, ก็ก็พอได้พอได้แบบสรุปสรุปให้ <คะ S 2> เห็นภาพว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยผู้เจ้าอธิบายอย่างไรและหลักความเชื่อว่าโลกนี้โลกหน้ามีหรือไม่มีเนี่ยนะควรเชื่ออย่างไรนะมีประโยชน์อย่างไรอย่างเนี้ยนะค่ะแต่ว่าศาสนาพุทธเนี่ยเอาเป็นว่า ถ้าโดยสรุปก็คือมีความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและถ้าหากว่าในระหว่างการใช้ชีวิตเราได้พบว่าชีวิตนี้เมื่อเกิดมาแล้วเป็นทุกข์จริงนะคะาศาสนาพุทธมีความพิเศษคือสามารถทำให้ไม่เกิดอีกต่อไปได้ใช่แต่ต้องพึ่งใครคะเกาะใครไป อ๋อพึ่งตนพึ่งตนพึ่งตามพึ่งใครไม่ได้เลยนะพึ่งตนอย่างไรคะพึ่งตนพึ่งตามผู้เจ้าบอกไว้เลยบอกบอกอนุ์ในการบัดนี้ก็ตามในการล่วงไปเราก็ตามใครก็ตามจกต้องมีตนเป็นประทีมีตนเป็นสลาณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสลาณะมีธรรมเป็นประทิปมีธรรมเป็นสลาณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสลาณะเป็นอยู่อย่าไปพึ่งอะไรนะพ่อแม่กูบาจารย์ทุกคนมีการการเกิดแก่เจ็บตายหมดนะพึ่งจริงๆยังจังไม่ได้เรานี่แหละต้องพึ่งตัวเราเองแล้วก็พึ่งธรรมะที่ถูกต้อง ท่านคะในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราบางคนอาจจะมาฟังหรืออาจจะเกิดความรู้นี้เนี่ยช้ามากอาจจะมีระยะเวลาในการมีชีวิตที่เหลืออยู่น้อยเกินกว่าที่จะพบผลทาแห่งการไม่เกิดได้ไหมคะสบายมากแค่ก่อนตายขอยมีเวลาสักนิดก็ยังดีค่ะธรรมะของคนใกล้จะตายผู้เจ้ายังมีไว้ให้เลยแค่มีสติสัมปชัญญะก่อนตายทาแค่นี้ไม่ต้องไปอบายละก็ เป็นความเป็นการที่ต้องใช้เวลาอันนี้ค่ะมีมีเริ่มก็มีหมดเพราะว่าคนหนึ่งเขาก็ส่งสัญญาณมาตลอดเวลาว่าวันนี้อาจจะคุยได้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้คือสรุปอีกครั้งนะคะท่านผู้ฟังที่เคารพสำหรับถามโลกตอบธรรมวันนี้ดิฉันก็ถามคำถามเกี่ยวกับความโดดเด่นแตกต่างจากศาสนาอื่นของศาสนาพุทธของเราเนี่ยว่าเป็นอย่างไรก็ได้พบว่าสิ่งวิเศษที่พระเจ้าตรัสรู้นั้นจะนาพา พุทธศาสนิกที่ปฏิบัติด้วยตนเองเนี่ยนะคะไปสู่การไม่ต้องมีความทุกข์ไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ใครก็ช่วยเราไม่ได้บอกได้แต่ท่านต้องทําเองค่ะ <c oughs> <laughs> วันนี้เราก็คงจะต้องยุติการพูดคุยกับท่านอาจารย์ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้วันต่อไปเราค่อยมาคุยกันอีกกัแล้วกันนะคะในช่วงเวลาถามรคตอบธรรนมิส ก, การขอบคุณพระคุณเจ้าเป็นอย่างยิ่งคะ่ะค่ะ จากพุทธวจนะโดยพระคึกฤทิโสติพโลค่ะท่านบังที่เคารพค่ะสำหรับรายการสันนีสนทนานะคะวันนี้เรานำมส ก, การพระคุณเจ้าท่านอาจารย์คึกฤทิตจากวัานาป่าพงมาให้คำตอบนะคะว่าศา ส, สนาพุทธต่างจากศา ส, สนาอื่นอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาต่อไปเรื่อยๆนะคะดิฉันว่า มันจะเป็นประโยชน์กับความเป็นศาสนกของเรามากก็คือว่าได้พบว่าศาสนานั้นสามารถเอามาปฏิบัติและทําให้เกิดสิริมงคลกับชีวิตเป็นประโยชน์กับชีวิตต้องว่าอย่างนี้นะคะก็หมดเวลาซะแล้วสําหรับรายการของเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่ตีห้ตื่นมาก็มาฟังข้อธรรมะดีๆกันที่สถานีวิทยุสททเอฟเอ็มร้ครอบครัวข่าวดิฉันสัมสนีนา พ, พงศ์ผู้ ด, ดําเนินรายการนะคะวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีคะ่ะ ติดตามการเข้าถึงหลักแห่งความเป็นจริงและวิธีแห่งการหลุดพ้นได้ในสันสนีสนทนาเวลา5นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับสันสนีนาาพง์ที่นี่สททอร f m ยวิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน